หลังกลับไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2530บนถนนเล็กๆสายหนึ่งซึ่งทอดยาวห่างจากตัวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีไปราว15กิโลเมตรได้เกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อของบริษัทจำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรแห่งหนึ่งค่ะซึ่งบรรทุกมันสัมปะหลังมาเต็มคันรถ เกิดเสียหลักพุ่งชนประสานงาเข้ากับรถสามล้อเครื่องของชาวบ้านที่วิ่งสวนมานะคะอาจจะเพราะความเลินเล่อของคนขับรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้ามาเกินอัตราก็เลยทำให้รถเนี่ยควบคุมลำบากจนเกิดความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของคนอื่น ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตทันทีเลยนะคะ4รายแล้วก็บาดเจ็บ2รายผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายวัยกลางคนแล้วก็เด็กชายวัยส่ขวบส่วนผู้ตายนะคะเป็นหญิงอายุราว30ปีคนนึงเด็กผู้ชายวัย9ปีเด็กผู้หญิงวัย7ปีแล้วก็ทารกน้อยนะคะเป็นเพศชายที่กำลังแบบเบาะอยู่อีกหนึ่งคนซึ่งพวกเขาทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ เหตุการณ์สุดสะเทือนครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางไปโรงพยาบาลประจำอำเภอเพื่อพาลูกน้อยไปพบกับหมออุบัติเหตุนี้ไม่ได้เป็นข่าวบนหนังสือพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์แต่ประการใดแต่ว่าคนในอำเภอนั้นแล้วก็อำเภอใกล้เคียงต่างรู้ข่าวนี้กันเป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากละแวกนั้นยังไม่มีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแบบนี้มาก่อนคนก็เลยบอกกล่าวเล่าต่อกันไปเหมือนไฟลามทุ่งถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น โศกนาฏกรรมที่นำมาซึ่งความพลัดพรากโศกนาฏกรรมที่ทำให้สี่แม่ลูกต้องตายทิ้งให้สองพ่อลูกที่รอดชีวิตต้องรับสภาพและอยู่กับความทรงจำอันเจ็บปวดสุดทารทนและความทรงจำที่สามีต้องเสียภรรยาและก็ลูกอีกสามคนความทรงจำที่ลูกวัยสี่ขวบต้องเสียแม่และพี่น้อง สิ่งที่เกิดขึ้นสะเทือนความรู้สึกของชาวบ้านร้านตลาดในอำเภอนั้นและแอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างมากถึงกระนั้นก็หาได้มีชาวบ้านคนใดหวั่นใจหรือหวาดผวากับเรื่องของวิญญาณตายโหงในครั้งนี้แต่อย่างใดทว่าสิ่งที่ทุกคนห่วงและเป็นกังวลคือการที่จะต้องใช้ถนนร่วมกับรถบรรทุกขนมันสัมปะหลังที่ผู้ขับขี่ขาดความรับผิดชอบซะมากกว่านะคะ จนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านไปได้3มวันค่ะทำให้ได้รู้นะคะว่าคำพูดที่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าไม่กลัวผีตายโหงนั้น ไม่เป็นจริงเลยแม้แต่น้อยเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเรื่องประหลาดซึ่งมันเริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งคืนนั้นนั่นก็คือคืนวันพระ15ห้าคำ่ำคืนที่ดวงจันทร์ลอยเด่นเต็มดวงคืนที่สของการสวดอภิธรรมศพสี่แม่ลูกคืนที่ป้าหนอมแม่ค้าในตลาดประจำอำเภอไม่มีวันลืมเลย ตามวิสัยปกตินะคะของบรรดาคนทำมาหากินกับตลาดมักจะเริ่มต้นวันใหม่ในการทํางานเช้ากว่าคนในอาชีพอื่นมากแม่ค้าพ่อค้ามักนําเอาสินค้าต่างๆไปขายตั้งแต่เช้ามืดการออกตลาดตั้งแต่ตีหนึ่งตีสนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาป้าหนอมก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่ต้องออกตลาดแต่เช้ามืดเช่นกันค่ะ ป้าหนอมในขณะนั้นมีอายุ55ปีหญิงวัยกลางคนผู้ยังชีพด้วยการขายกับข้าวไม่ว่าจะเป็นพวกผัดพวกแกงชนิดต่างๆในตลาดเช้าประจำอำเภอด้วยจำนวนลูกค้าขาจรที่คลาคลํำและลูกค้าขาประจำที่เหนียวแน่นก็เลยทำให้แกมีอาชีพขายกับข้าวแบบนี้มาได้ร่วม20ปีจวบจนสีผมเริ่มกลายเป็นสีดาแซมสีดอกลาวนะคะ ปริมาณผู้อุดหนุนและอายุงานจึงเป็นตราประทับที่การันตีถึงเสน่ห์ปลายจวักของแกได้เป็นอย่างดีทุกวันหลังจากป้าหนอม จัดเตรียมกับข้าวกับปลาร้อนๆที่ทำเสร็จใหม่ๆใส่หม้อเรียบร้อยแล้วนะคะราวตีสองป้านนอมก็จะเดินทางออกมาปากทางของบ้านโดยตรงถนนลาดยางที่สองข้างทางปกคลุมรกลุมด้วยแมกไม้น้อยใหญ่สลับกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งห่างเป็นระยะซึ่งเสาบางต้นก็มีไฟเสาบางต้นก็ดับดับติดๆ เหมือนไฟที่ใช้ประดับเวทีหมอลำคณะโปรดที่แกชอบดูแลค่ะเพื่อตะกนเรียกรถสามล้อเครื่องผู้เป็นสารถีเจ้าประจำซึ่งบ้านอยู่อีกฝ่าของถนนลาดยางสองเลนนั้นแล้วก็มองเห็นกันอย่างถนัดชัดเจน ในสมัยนั้นแม้หมู่บ้านของป้าหนอมนะคะจะตั้งอยู่ในเขตตัวอำเภอก็ตามค่ะแต่ว่าก็ยังคงเป็นอำเภอเล็กๆในต่างจังหวัดเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนจึงเงียบมากเงียบซะจนว่าหากใครทำเหรียญบาทตกกระทบพื้นถนนในตอนกลางคืนแม้อยู่ห่างไปไกลกว่า20เมตรยังได้ยินชัดเจนนะคะแล้วก็อานาจความเร้นลับในความสงัดที่ว่านี้ก็เข้ามามีอิทธิพลคุกคามคนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี เพราะว่าหลังจากเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปแถวนั้นเงียบราวกับเมืองร้างไม่มีใครออกมาจากบ้านไม่มีใครออกมาเดินเล่นอย่างไรก็ตามแม้ว่าบรรยากาศและสภาพแวดล้อมจะชวนให้วอกแวกจินตนาการถึงสิ่งเร้นลับอยู่บ้างแต่ก็หาได้มีอิทธิพลต่อคนตลาดอย่างป้าหนอมและผู้ใช้ตลาดเป็นที่ทำมาหากินเพราะว่าถ้าหากว่ามัวแต่กลัวนะคะก็อดตายกันพอดีนี่แหลคะค่ะชีวิตของพ่อค้าแม่ค้า หลังจากที่ป้าหนอมตะกลเรียกคนขับสามล้อเครื่องเจ้าเก่าแล้วนะคะระหว่างนั้นแกก็ยืนบรรจงเคี้ยวหมากในปากอย่างรื่นรมชมแสงจันในยามค่มคืนที่ทอแสงสว่างนวลสวยกว่าแสงนีออนจากเสาไฟข้างทางที่อยู่บนเหนือหัวแกขึ้นไปราวห้าเมตรซะด้วยซ้ำ ขณะที่แกยืนคอยท่ารอเวลาที่ผู้ขับ3มล้อจอมอืดอาจจะอาบน้ําอาบผ่าแล้วเสร็จเวลาก็ล่วงไปนานเอาเรื่องอยู่มากค่ะแต่ว่าป้าหนอมก็ไม่ได้เร่งร้อนอะไรนะักเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยติติงอะไรคน3าล้อเลยเพราะว่าแกเข้าใจค่ะว่าช่วงเวลาอย่างนี้มันเป็นเวลาที่กําลังหลับสบายไอ้ครั้นจะหยัดตัวขึ้นจากฟูกนุ่มๆเนี่ยคงยากพอสมควรแม้กระทั่งตัวแกเองถ้าไม่ไปขายของที่ตลาดแกก็คงจะนอนสบายอยู่ยง นี่เหมือนกันแกก็เลยเลือกที่จะยืนรออย่างใจเย็นแล้วก็มองโน่นมองนี่ไปเรื่อยเปื่อยตามประสาคนที่รออะไรสักอย่างทำเพื่อฆ่าเวลานะคะคืนนี้อากาศเย็นสบายท้องฟ้าสว่างชวนมองโน่นมองนี่สำรวจไปเรื่อย แล้วก็ทันใดนั่นเองค่ะป้าหนอมก็ได้ยินเสียงคล้ายๆกับคนคุยการปะปนมากับเสียงหัวเราะขี้คักลอยมาตามสายลมที่โชยอ่อนแต่ฟังยังไงก็ไม่ได้สับนะคะว่าคุยอะไรกันแล้วก็ไม่รู้ว่าต้นเสียงอยู่ที่ไหนแกก็พยายาม่ะคะมองหาที่มาของเสียงนั้นเพราะรู้สึกว่าเหมือนเสียงนั้นจะอยู่ไม่ไกลจนสายตาแกไปจับเอาคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปอีก3เสาไฟฟ้า พวกเขาก็กำลังเดินห่างออกไปจังหวะสืบเท้าของพวกเขาค่อนข้างเร็วแล้วก็ถี่คล้ายกับกำลังรีบร้อนนะคะขณะที่ปนอมพยายามรีตาเพื่อปรับภาพที่เห็นให้คมชัดยิ่งขึ้นทำให้ได้รู้นะคะว่าคนกลุ่มนั้นมีอยู่4คนด้วยกันแต่ด้วยระยะที่อยู่ห่างค่อนข้างมากแล้วก็คนกลุ่มนั้นหันหลังเลยมองไม่เห็นหน้าข้าตาว่าเป็นใครมาจากไหนคนบ้านนี้หรือว่าบ้านอื่น แต่ด้วยคืนนี้เป็นคืนเดือนแจ้งก็เลยพอที่จะทำให้มองเห็นแล้วก็รู้ได้นะคะว่าคนกลุ่มนี้มีผู้หญิงหนึ่งคนเด็กผู้ชายหนึ่งคนเด็กผู้หญิงแล้วก็ทารกอีกหนึ่งคน ผู้หญิงคนนั้นมือขวาประคองอุ้มเด็กทารกที่กำลังร้องไห้มือซ้ายจูงเด็กหญิงโดยมีเด็กชายไวัยไล่เลี่ยกันกำลังวิ่งชวัดเฉวียนไปมาบางทีก็วิ่งไปตีเด็กผู้หญิงแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็หัวเราะ อ, อย่างสนุกสนานพอใจกับความสำเร็จที่ตัวเองได้กแกล้งคนอื่นส่วนเด็กผู้หญิงก็พยายามเอาคืนด้วยการยกมือขึ้นตีโต้ตอบแต่ว่าถูกหญิงที่อุ้มทารกซึ่งป้าหนอมเดา ว, ว่าน่าจะเป็นแม่ได้พยายามห้ามปรามให้เด็กทั้งสองหยุดแล้วก็ เลิกกลั่นแกล้งกันสักทีปนอมยืนมองดูคนกลุ่มนี้อย่างตั้งใจค่ะโดยไม่ได้ละสายตาไปทางไหนเพราะว่าอยากรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็จะไปที่ไหนทำไมถึงออกมาเดินดึกดื่นๆแบบนี้จนเมื่อเวลาล่วงเลยไปได้ราวห้านาทีแกก็พึ่งเอกใจนะคะว่าไอ้พวกนี้ที่มันก้าวเท้าเร็วๆ เ, เนี่ยทำไมถึงยังไม่ถึงเสาไฟฟ้าต้นถัดไปสทียังกับว่ามันเดินอยู่กับที่ สิ้นความคิดนั้นไม่ทันไรนะคะขนแขนของป้าหนอมที่เคยนิ่งสนิทก็พร้อมใจกันลุกเกลียวค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวร้อนเหมือนคนกำลังจะจับไข้ขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลแต่ว่าป้าหนอมก็ไม่ได้ละสายตาจากคนกลุ่มปริศนาพวกนั้นแต่กลับจ้องมองนะคะราวกับว่าถูกสะกดด้วยมนในมิติเร้นลับยากที่จะอธิบายมนสะกดที่ป้าหนอมต้องเผชิญทางที่ใจไม่ต้องการค่ะ ปนอมไม่รู้ว่าตัวเองมองคนกลุ่มนั้นอยู่อีกนานแค่ไหนมารู้สึกตัวอีกทีก็คำหมกในปากของแกถูกเคี้ยวจนแหลกละเอียดน้ำหมากก็เริ่มเอ่อปริมริมขอบปากแกก็เลยได้สติแล้วค่ะหันหลังบ้วนน้ำหมากทิ้งแต่พอแกหันกลับมาก็ถึงกับผงาสิ่งที่เห็นก็คือคนพวกนั้นหยุดเดินแล้วก็เหมือนกับว่าพวกนั้นอยู่ใกล้เข้ามามากกว่าตอนแรก อีกอย่างหนึ่งนะคะป้าหนอมรู้สึกได้แม้ว่าทั้ง4ี่คนนั้นจะอยู่ในเงามืดแล้วก็ห่างออกไปพอสมควรแต่แกสัมผัสได้ด้วยสัญชาตญาณว่า4ี่คนแม่ลูกนั้นกำลังจ้องมองมาที่ป้าหนอม หลังการประท้าสายตากันเพียงชั่วพริบตาเดียวค่ะอยู่ๆคนปริศนากลุ่มนี้นะคะก็สาวเท้าก้าวยาวเร็วปรีตรงมาที่ป้าหนอมป้าหนอมมีใจหายวาบเลยแล้ะคะ่ะหน้าชาตัวสั่นขนลุกไล่จากหลังมายันหัวตัวเริ่มร้อนขึ้นเหมือนไข้ที่กําลังขึ้นสูงสิ่งที่ป้าหนอมต้องเผชิญภาพที่เคเห็นบัดนี้เกินกว่าที่แม่ค้าตลาดวัยกลางคนจะรับมือได้ ป้าหนอมร้องตะโกนเรียกคนขับ3ล้อจนสุดเสียงนะคะในขณะที่สายตาของแกยังมองไปที่คนกลุ่มนั้นที่กำลังตรงปรีเข้ามาหาแกอย่างไม่วางสายตาระยะห่างระหว่างคนกลุ่มป้าหนอมเริ่มสั้นลงสั้นลงทุกทีพอกลุ่มคนใกล้เข้ามาเรื่อยๆถึงระยะที่เห็นอะไรได้ชัดขึ้น ปนอมถึงกับน้ำตาเ อ, อ่ด้วยความกลัวค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนั้นก็คือสี่แม่ลูกที่เพิ่งจะตายไปเมื่อ3าวันก่อนปนอมโก่งคอเรียกร้องคนขับ3ล้อสุดเสียงแล้วค่ะเร่งคนขับ3ามล้อที่บัดนี้ยังไม่โผลออกมาจากบ้านด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือมือทั้งสองข้างพนมจับสร้อยพระซึ่งคล้องคออยู่ตาก็ยังคงมองไปที่4ี่แม่ลูกราวกับว่าถูกตรึงด้วยพลังความเร้นรับระยะห่างเริ่มสั้นลงเรื่อยๆ พวกเขาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเหลืออีกไม่เกิน50เมตรก็จะถึงตัวป้าหนอมนะคะแต่ว่าคนขับสามล้อที่แกหวังฝากผีฝากไข้ก็ไม่ออกมาสัทีแม่ลูกพวกนั้นยังคงสาวเท้าปรีตรงเข้ามาหาป้าหนอม40เมตร30เมตร20เมตร ปนอมแกก็เริ่มขยับมุมปากขมุบขมิบค่ะระดมสวดมนต์คาถาภาษาต่างๆที่แกเคยได้ยินได้ฟังมาหรือได้รู้จักมาตั้งแต่กเกิดยันอายุ ข, ขนาดนี้ด้วยความหวังว่าจะช่วยให้วิญญาณพวกนั้นอันตรธานหายไปแต่ว่ามันกลับไม่เป็นอย่างที่แกหวังค่ะจนกระทั่งปนอมเริ่มสั่นสะท้านปากก็ยังคงขมุบขมิบเร็วขึ้นแต่เริ่มไม่ได้สับ ทั้งสวดสลับหน้าสลับหลังจับต้นชนปลายไม่ถูกสติสัมปชัญญะกระเจิดกระเจิงและในทันทีนั้นเองนะคะป้าป้าเป็นอะไรเรียกอะไรนักหนาฉันรู้แล้วฉันก็รีบอยู่เหมือนกัน ไอท้ทิดคนขับ3ล้อที่อยู่บ้านตรงข้ามซอยที่ป้าหนอมยืนอยู่นะคะก็ตะโกนร้องรับป้าหนอมค่ะพร้อมกับขับพาหนะคู่ใจข้ามถนนมาอีกฝากที่ป้าหนอมยืนอยู่แต่ไม่ทันที่รถจะจอดสนิทนะคะปะ้าหนอมก็บอกว่าไอท้ทิดมึงมึงดูนูน่นผีไงนกกับลูกมันปน้าหนอมร้องหน้าตาตื่นพลางชี้มือค่ะนําสายตาไอท้ทิดไปยังจุดที่พบเหตุสยองแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงที่ป้าหนอมชี้ ทุกอย่างว่างเปล่าเงียบสงัดเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วทั้งที่เป็นทางบังคับไม่มีที่เลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาคนขับสามล้อทําสีหน้างงกับพฤติกรรมของป้าหน้อม แกก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่หลอนประสาทของตัวเองที่เพิ่งพันพบมาสดสดร้อนๆค่ะโดยซุ่มเสียงที่สั่นเครือเนื้อตัวสั่นเทาให้กับอดีตนักบินธบาตหนุ่มผู้ลาโล ก, กธรรมมาสู่โลกีวิสัยได้ฟังหลังจากจบคำบอกเล่าของป้าหนอมนะคะทิดก็เอ่ยเพียงสั้นๆพร้อมสีหน้าเรียบเฉยบอกว่าหน้าเวทนาแม่ลูกเนาะป้าเนาะป้าอย่าลืมทาบุญให้พวกเขานะ จากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันยกหม้อข้าวหม้อแกงที่จะต้องนำไปขายที่ตลาดนะคะขึ้น3ล้อเครื่องอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเลยแต่ว่าในใจของป้าหนอมนะคะ่ะภาพของสีคนแม่ลูกยังคงติดอยู่ในความทรงจำอย่างชัดเจนสุดหลอนที่แกจะไม่มีวันลืมอีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านนะคะในคืนเดียวกันค่ะคล้อยหลังเหตุการณ์ที่ป้าหนอมเจอเจอได้เพียงครึ่งชั่วโมงลุงตั้วนะคะ แล้วก็ภรรยาก็เป็นอีกรายหนึ่งที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ในคืนหลอนที่ชวนขนหัวลุกที่สุดเท่าที่แกเคยเจอมาลุงได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรวิ่งขึ้นบันไดบ้านมาเสียงดังจนลุงตกใจตื่นทีแรกลุงบอกว่าลุงนึกว่าหมาแล้วก็แมวที่บ้านเลี้ยงไว้มันคงวิ่งไล่กัน แต่ต่อมาอีกแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนไม้กวาดกระทบกันเหมือนกับเด็กๆเล่นฟันดาบกันทั้งเสียงฟันดาบเสียงหัวเราะกระซิบ ก, กระซากอย่างสนุกสนานลุงแกก็เลยปลุกเมียแกลงมาช่วยกันฟังว่ามันเสียงอะไรกันแน่ทีแรกลุงบอกว่าจะเปิดประตูไปดูให้มันรู้แล้วดูรอดแต่เมียแกห้ามไว้บอกว่ามันน่ากลัวลุงก็เลยหยิบนาฬิกาปลุกตรงหัวเตียงมาดูไอ้เสียงที่ว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่นานแค่ไหน ปรากฏว่าค่ะมันดังอยู่ประมาณ5นาทีเห็นจะได้เสียงไม่กวาดกับเสียงหัวเราะหยอกล้อถึงเงียบไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนวิ่งลงจากบ้านสักแป๊บหนึ่งนะคะลุงกับเมียก็เลยเปิดประตูห้องออกไปดูปรากฏว่าทุกอย่างในห้องโถงบนเรือนนี่ยังอยู่แบบปกติไม่มีอะไรเลยยกเว้นไอ้ไม้กวาดสองอันที่อยู่ๆก็มาอยู่กลางบ้านทั้งที่ทุกทีเนี่ยแกจะแขวนเอาไว้ฝาห้องครัวข้างล่าง ลุงกก็เลยคิดแล้วค่ะว่าต้องใช่แน่ๆและต้องมีสิ่งผิดปกติแน่ๆและที่ลุงสงสัยน่าจะเป็นวิญญาณไอ้หนูสองคนนั่นแน่ๆคงไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นใดเลยลุงก็อยากรู้นะคะว่าลงจากบ้านเราแล้วมันจะไปไหนกันก็เลยเปิดหน้าต่างมองดูไปตรงถนนก็เห็นทั้งสี่แม่ลูกค่ะเห็นทั้งสี่ตาทั้งลุงทั้งเมียลุงเห็นสี่แม่ลูกเนี่ยเดินอยู่ริมถนนข้างทาง ต่างคนต่างก็เบียดกันไปเบียดกันมาเหมือนไม่ชอบไม่อยากใกล้ถนนแต่เมียลุงบอกว่าเหมือนเขากลัวถนนมากกว่าไม่อยากเข้าใกล้ยังไงอย่างนั้นแหละจะว่าไปนะคะก็น่าสงสารวิญญาณของคนที่ตายไปเป็นแม่แล้วก็เป็นลูกเหมือนกันนะคะลุงตัวก็รำลึกเหตุการณ์น่าสะพึงจากลิ้นชักความทรงจําในคืนนั้นคืนที่3าของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของ4ี่แม่ลูกที่อําเภอกุมภาวาปีเมื่อหลายสิปีก่อนให้ฟัง หลังจากประสบการณ์ที่ป้าหนอมแล้วก็ลุงตั้วได้ประสบพบเจอมาคงพอสรุปได้นะคะว่าสิ่งที่เห็นที่เกิดขึ้นนั้นมาจากวิญญาณของแม่ลูกที่ตายจากเหตุการณ์รถ10ล้อชนรถ3ล้อนะคะคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเหตุการณ์นี้แหละ วิญญาณเหล่านั้นก็ยังคงวนเวียนให้คนได้พบเห็นอยู่เป็นประจำเพราะว่าไปผุดไปเกิดไม่ได้และที่สำคัญบ้านของลุงตัวกับบ้านของป้าหนอมอยู่ติดกับบ้านของครอบครัวของคนที่เสียชีวิตก็คือคุณนกนั่นเองค่ะการที่วิญญาณของนกและก็ลูกๆเที่ยวออกมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านอาน เป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการจะกลับบ้านเพื่อรอไปเกิดแต่ว่ากลับไม่ได้เพราะไม่มีใครไปทําพิธีเรียกวิญญาณนกและก็ลูกๆนะคะจึงอาจจะเพียงแค่ต้องการส่งสัญญาณให้กับญาติได้รับรู้เท่านั้นหลังจากเหตุการณ์คืนหลอนของลุงตั้วกับป้าหนอมผ่านไปได้ไม่นานค่ะก็มีเสียงร่าลือกันนะคะว่าคนนั้นก็เจอคนนี้ก็เห็นบางทีพบเห็นวิญญาณของนกและก็ลูกมานั่งร้องไห้อยู่ที่จุดเกิดเหตุบางทีก็เห็นเดินไปเดินมาในหมู่บ้านยามสงัด เรียกได้นะคะว่าช่วงนั้นหากชาวบ้านคนไหนออกมาจากบ้านตอนดึกๆหรือจําเป็นต้องผ่านไปจุดเกิดเหตุไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลหรือว่าไปทําธุระก็มักจะเจอะ เ, เจอเข้ากับวิ ญ, ญญาณของพวกเขาอยู่เสมอยกเว้นสามีแล้วก็ลูกน้อยวัยสีขวบที่รอดตายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่เคยเจออะไรผิดปกติเลยไม่เคยแม้แต่ได้ยินเสียงหรือกระทั่งฝันก็ยังไม่มีค่ะพอมีคนนั้นบอกว่าเคยเห็นวิญ ญ, ญาณของนกกับลูกมาอยู่ตรงนั้น มาอยู่ตรงนี้ผู้ที่เป็นสามีก็ได้แต่น้อยใจแล้วก็ตัดเพาะมาให้แต่คนอื่นเห็นทำไมไม่มาให้สามีเห็นบ้างแค่อยากรู้ว่าอยู่ยังไงสบายดีหรือเปล่าต้องการอะไรหรือเปล่า ก็เป็นคําพ้อประโยคสั้นๆนะคะที่พูดทางน้ําตาจากผู้ที่เป็นสามีซึ่งต้องการเพียงเพื่อพบลูกแก้วแล้วก็เมียขวัญอีกสักครั้งได้ละลายความรู้สึกหวาดกลัวที่ชาวบ้านเคยมีแปลเปลี่ยนเป็นหดหูแล้วก็สะเทือนใจกับสิ่งที่ครอบครัวนี้ต้องมาประสบพบเจออย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนั้นมาไม่นานก็มีผู้รู้ในหมู่บ้านได้ไปพูดกับผู้เป็นสามีบอกว่า ที่เองไม่เจอที่เองไม่ได้ยินหรือไม่เคยแม้แต่จะฝันนั้นก็เพราะว่าเองนอนอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นจะเห็นได้ยังไงเพราะว่าวิญญาณของนกมันเข้าบ้านไม่ได้เพราะไม่มีใครไปเชิญมันสังเกตสิว่าคนที่เจอนั่นน่ะทุกคนเลยจะเจอกันที่ถนนในหมู่บ้านหรือไม่ก็ตรงจุดที่ถูกรถชนพร้อมกันนั้นนะคะผู้รู้ท่านนี้ ก็ได้แนะนำต่อถึงเรื่องการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับวิญญาณผีตายโหงแก่สามีและญาติพี่น้องของนกและลูกๆทางญาติก็เลยทำตามคำแนะนำโดยได้นิมนต์พระไปทำพิธีเรียกวิญญาณผู้ที่ตายทั้งหมดนะคะให้กลับมาสิงสถิตยอยู่ที่บ้านของสามีเพื่อรอไปผุดไปเกิดและยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หลังจากนั้นค่ะก็ไม่เคยปรากฏว่ามีใครพบเจอกับดวงวิญญาณของนกและลูกๆอีกเลยค่ะ